่วันนี้ก็ได้ปัญญากันเห็นปัญญามั้ยอะไรคือปัญญาปัญญาก็คือความรู้ความจริงปัญญาเกิดขึ้นได้จากการได้ยินได้ฟังหรอจากการได้เห็นได้พิจารณา ถ้าเห็นแล้วไม่ได้พิจารณาก็ไม่ได้เกิดปัญญาเห็นเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแต่ไม่ได้เอามาพิจารณาก็จะไม่ได้เกิดปัญญาถ้าอยากให้เกิดปัญญาก็ต้องพิจารณาว่าคนแก่คนเจ็บคนตายนี่มาจากที่ไหนก็มาจากเด็ก มาจากเด็กที่เกิดออกมาจากท้องเพราะจากท้องแ ม, อม่ก็เกิดจากการเกิดพอเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าดูเฉยๆเห็นเฉยๆแล้วก็ไม่พิจารณาก็จะไม่เกิดปัญญาก็จะเพยงแต่เห็นว่าแก่เห็นว่าเจ็บเห็นว่าตาย แต่ถ้าถามถ้าคิดว่าทาไมต้องแก่ทำไมต้องเจ็บทำไมต้องตายอันนี้ก็จะทาให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้เมื่อคิดแล้วก็จะเห็นว่าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เพราะว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายอันนี้จะคือความเปลี่ยนแปลงร่างกายนี้ มีการเปลี่ยนแปลงครับตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาตั้งแต่เป็นเชื้อของพ่อของแม่มารวมกัน ม, มาผสมกันก็จะเกิดเป็นทารกขึ้นมามมแล้วพอจะเริ่มเติบโตขึ้นไปก็อยู่ในท้องแม่ไม่ได้เพราะมันแน่นมันเหมือนปลูกต้นไม้ในกระถาง ปลกไปนานๆเข้าดินในกระถางมันจะหมดเลยจะกลายเป็นต้นไม้เป็นรากไปหมดถ้าอยากจะให้ต้นไม้โตไม่ตายก็ต้องเอาลงดินหรือเปลี่ยนกระถางใหม่เอากระถางที่ใหญ่ที่จะใส่ดินได้เพราะดินเป็นอาหารของต้นไม้ร่างกายนี้เวลาอยู่ในท้องแม่ก็อาศัย อาหารในท้องแม่เลี้ยงดูไปแต่พอร่างกายเริ่มกำลังเติบโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นท้องแม่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่อยู่ได้เพราะมันคับแค่ ก, ก็เลยต้องคลอดออกมาพอคลอดออกมาก็เริ่มหายใจเองเริ่มเหลือมน้ำเอง เร่รับประทานอาหารเองร่างกายก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆร่างกายนี้ไม่มีวันใดที่เหมือนกันเลยมันเปลี่ยนไปตลอดทุกวิกวนาทีวินาทีนี้กับวินาทีที่แล้วนี่ร่างกายปคนละร่างกายแล้วเพราะไม่เหมือนกันไม่เหมือนทุกอย่างหนึ่งวินาทีนี้มันก็โตขึ้นไป เรื่อมันแก่ลงไปนี่คืออนิจจาคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เที่ยงไม่เหมือนเดิมไม่มีเหมือนเดิมทุกวินาทีนี้เปลี่ยนไปเราก็แก่ลงไปวินาทีนะร่างกายที่เป็นวินาทีที่แล้วการร่างกายเป็นวินาทีนี้เป็นคนละร่างกายแนะ ไม่เหมือนกันนะต้องมีแก่งลงไปหนึ่งวินาทีโดยถ้าเป็นร่างกายของเด็กก็โตขึ้นมาอีกวินาทีหนึ่งนะมนะันมีโตโตไปออนต้นก็โตออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มโตไปเรื่อยๆแขนขายาวขึ้นไปเรื่อยๆตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงขีดสูงสุด ของการเจริญมันก็หยุดมันหยุดเจริญแล้วมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยอแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอ คนจนหรือคนรวยคนใหญ่คนโตหรือคนไม่ใหญ่ไม่โตเป็นเหมือนกันหมดร่างกายของคนทุกคนเกิดแก่เจ็บตายนี่คือการสร้างปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่านี่แหละร่างกายมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันไม่เหมือนเดิมมันไม่ถาวรมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันจะดับไปในที่สุดเวลาที่มันจะดับก็ดับได้ทุกเวลาบางทีออกมาจากท้องแม่ปับก็ตายเลยบางทีก็อยู่ได้เจ็ดวันบางทีก็อยู่ได้เดือนหนึ่งบางทีก็อยู่ได้ปีหนึ่งมีคนตายทุก ทุกอายุมีคนตายเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายของทุกคนจะต้องตายด้วยกันจะตายเร็วตายช้าตายก่อนตายหลังเท่านั้นเองแต่ไม่มีใครหนีความตายก็ได้ถ้าพิจารณาอย่างีก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาฉลาดยังไง ตลาดที่จะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดตัางกายถ้ารู้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะไม่อยากไปให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยากไม่แก่ก็แก่อยู่ดีอยากไม่เจ็บก็เจ็บอยู่ดีอยากไม่ตายก็ตายอยู่ดีแล้วเวลาอยากไม่เจ็บมันทุกข์ทรมานหรือไม่ มันสุขหรืมันทุกข์เวลาอยากไม่ให้มันแก่แล้วมันแก่พอเห็นผมขาวสักเส้นหนึ่งนี่มันสุขหรือมันทุกข์แต่ถ้ารู้ว่ามันต้องแก่รู้ว่าผมนี่เดี๋ยวมันต้องเป็นสีขาวพอมันเป็นสีขาวก็ไม่ทุกข์พ็รู้ล่วงหน้ารู้ว่ามันต้องเป็นสีขาวขาวก็ขาวเลย อันนี่เป็นปัญหาเลยหนังจะเหี่ยวก็เหี่ยวเลยอ้ามันได้หรือเปล่าอ่นนี่คือธรรมชาติของร่างกายอีกข้อหนึ่งอนัตตาอ้ามันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไปคิดเองว่าเป็นตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาครอบครองร่างกายนี้เหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่ง ร่างกายนี้เหมือนตุ๊กตาที่พ่อแม่ไปซื้อมาให้เห ร, mm hmm. ราตอนเป็นเด็กๆนี่พ่อแม่จะซื้อตุ๊กตาของเล่นมาให้ลูกเล่นกัน mm hmm. ร่างกายนี้ก็เป็นตุ๊กตาตัวแรก mm hmm. และตัวสุดท้าย mm hmm. ร่างกายนี่แหละเป็นตุ๊กตาที่แท้จริง mm hmm. พ่อแม่สร้างขึ้นมา แล้วเราคือดวงวิญญาณก็มารับร่างกายอันนี้โดยการส่งกระแสวิญญาณมาเกาะติดที่ร่างกายมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพะท่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายเราคือใจเราคือดวงวิญญาณที่เล่ร่อนที่หลังจากที่เสียตกตาตัวเก่าไป เราก็มาเล่ลงลอนหาตกตาตัวใหม่แล้วพอถึงคิวที่เราจะได้รับตกตาตัวใหม่เราก็จะได้รับร่างกายอันใหม่นี่คือร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราของเราเราจงห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เวลาเด็กอยากสั่งให้มันโตพูดพลาดมันก็ไม่โตตอนเป็นเด็กก็อยากจะโตเร็ว จะได้เล่นจะได้ทําอะไรไอ้นคนอื่นเขาเล่นได้ทําอะไรได้เราเล่นไม่ได้ทําไม่ได้ก็อยากจะโตกันเร็วๆก็โตไม่ได้สั่งให้มันโตเร็วๆก็ไม่ได้พอมันจะแกะ่จะไปห้ามมันไม่ให้แก่ก็ไม่ได้พอมันจะเจ็บก็ห้ามมันไม่ได้มันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้นี่คือปัญญาพิจารณาให้เห็นว่า มันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เราห้ามมันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไปห้ามคนอื่นให้เขาทำอะไรได้หรือเปล่าห้ามคนนู้คนนี้ไม่ทาได้หรือเปล่ า, าเขาจะทำเราก็ทำอยู่ดีร่างกายก็เหมือนร่างกายของคนอื่น เราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นไปอยากให้มันไม่แก่่นก็จะทุกข์ไปอยากให้มันสวยแล้วมันไม่สวยก็ทุกข์เพราะไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งให้มันไม่สั่งให้มันสวยไม่ได้เวลาสิวขึ้นเต็มหน้าไปสั่งให้มันหายไปก็ไม่ได้ เวลาป้าขึ้นมาก็สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลาตีนกาโผ่ขึ้นมาก็ไล่มันไปไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราให้พิจารณาอย่างนี้แล้วจะเกิดปัญญาเราจะได้ปล่อยวางร่างกายแล้วจะได้ไม่ทุกข์กับร่างกายตอนนี้เราทุกข์กับร่างกายกัน พอแก่นี่ทุกข์ขึ้นมาเห็นผมหงอกขึ้นมาเส้นเนี่ก็ทุกข์ละเห็นตีนกายโผล่ขึ้นมาก็ทุกข์ละเห็นสิวโผล่ขึ้นมาก็ทุกข์ละเห็นฝ้าโผล่ขึ้นมาก็ทุกข์ละเพราะเราไปอยากให้มันสวยอยากให้มันไม่แก่แต่เราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าเรารู้ว่ามัน เป็นต้องเป็นอย่างนี้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเราห้ามมันไม่ได้แล้วเราถัดทำใจยอมรับความจริงอันนี้ให้ได้ถ้าเรารับความจริงนี้ได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันเวลาผมงอกก็เฉยงอกก็งอกก็ดีได้เปลี่ยนสีบ้าก็ชอบเปลี่ยนสีก็อยู่แล้วไม่ใช่นี่เปลี่ยนแบบธรรมชาตินะ ไม่ต้องไปยอมเสียเงินเสียทองไปเสี่ยงกับการเป็นลูกมะเร็งเพราะว่าย้อมผมนี่ก็อาจจะทําให้เป็นมะเร็งได้เพราะมีสารเคมีนี่เขายอมให้โดยธรรมชาติเลยยอมให้เป็นสีเงินสีขาวไม่สีเงินสวยจะตายเลยไม่เอากันเพราะว่า เพราะว่าเป็นลดนิยมเท่านั้นเองถ้าเข้านิยมสีขาวกันเดี๋ยวก็ยอมสีขาวกันต่อไปเนี่ยสมาัยก่อนกางเกงขาดไม่มีใครกล้าใส่สมาัยนี้เขานิยมใส่กางเกงขาดกันนะเดี๋ยวนี้กล้าใส่กันชอบใส่กันสมาัยก่อนเราวกางเกงขาดแล้าปากมันคนเข้าเห็นแล้วหัวลวปะปากก้นเอาใบาโพมาปากก้น คนเห็นแล้วโหและสมัยหลังนี้เขาปากกันะปากแล้วเท่เมันเรื่องของรสนิยมเท่านั้นเองผมก็เหมือนกัน่ะเมื่อก่อน ก, นก็มีแต่ผมดําเำแตวนี้มีเขียวมีแดงมีสีทองสีเงินพอมีรสนิยมกันทํากันก็กลายเป็นของดีไปถ้าเราทําคนเดียวเขาก็หาว่าเราบ้า แต่ถ้าทำเยอะๆก็ไม่บ้าเพราะมันบ้าด้วยกันนี่ก็เห็นอะไรนี่เราสามารถที่จะทำให้มันเป็นปัญญาขึ้นมาได้ทุกอย่างที่เราเห็นด้วยตาโอ้โหจะหลิ้รไนกลมันเป็นปัญญาทั้งนั้นถ้าเราพิจารณาเป็นทุกอย่างมันไม่เที่ยง้งนั้นเสียงที่พูดนี้ก็ไม่เที่ยงนะพูดปั๊บมันก็ดับไปละหายไปละ พอหยุดพูดเสียงนี้ก็หายไปแล้วเสียงดา่าก็ด่าปุ๊บมันก็หายไปแล้วแต่เราไม่ยอมให้มันหาย เ, ยเราเอามาคิดอยู่เรื่อยๆเขาด่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้บ่ายนี้ยังคิดถึงมันอยู่คิดแล้วเป็นยังไงคิดแล้วก็ยิ่งโมโหใหญ่ทำไมต้องมาด่าเราด้วยมันเป็นยังไงดูถูกดูแคลนเราโมโหโท่โศขึ้นมา พอาไม่เข้าใจธรรมชาติของเสียงว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันดับแล้วแล้วไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะโผล่ขึ้นมาก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันดับไปก็ห้ามมันไม่ได้เพราะใจเรามันโง่ใจเราชอบสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยการไปอยากในสิ่งที่เราไม่สามารถ อยากได้อยากให้เขาชมพอเขาไม่ชมก็ทุกพอเขาด่าก็ทุกแต่ถ้าไม่อยากให้เขาชมแล้วเขาไม่ชมก็จะไม่ทุกเราต้องเข้าใจว่าเสียงนี้มันไม่เที่ยงชมก็แป๊บเดียวก็หมดละเขาพูดคำเดียวก็จบไปละหายไปละเขาด่าคำเดียวก็จบไปละหายไปละแต่ถ้าเราอยากเราก็จะเอามาคิดอยู่เรื่อย พอ้วันนี้เขาชมเราเขาว่าเราสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้เอ้พอคิดแล้วก็มีความสุขไปแต่ในขณะเดียวกันพอเขาไม่ชมหรือพอเขาด่าเราก็เอามาคิดทําไมวันนี้ไม่ชมทําไมต้องมาด่าเรายิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอีกเพอไม่มีปัญญาเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นตายรักเนี่ยไม่เห็นว่าเป็นอนิจจาไม่เที่ยว เกาดแล้วดับอานัตตาห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่ดับก็ทุกข์ถ้าอยากให้มันดับก็ทุกข์ถ้ามันไม่ดับต้องพิจารณาอย่างนี้กับทุกสทุกสิ่งทุกอย่างเราใจจะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะมีปัญญาแต่ถ้าไม่พิจารณามันก็จะทุกข์มันจะอยาก พออยากอะไรก็ต้องไปหามาเอามาอยากฟังเสียงดีๆก็ไปซื้อเสียงดีๆมาฟังกันอยากจะดูรูปดีๆก็ไปซื้อรูปดีๆมาฟังกันถ้าไม่มีเงินอยากไปซื้อไม่ได้ซื้อก็ทุกไม่ได้ดูก็ทุกไม่ได้ฟังก็ทุกนั้นความทุกข์มันเกิดจากความยาวอยากอยากในสิ่งที่ไม่แน่นอน อย่างในสิ่งที่เราไปสั่งไม่ได้งั้นถ้าเราเห็นว่ามันไม่น่านอนมันเราไปสั่งมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ายไปอยากกับมันทนั้งเอถ้าไม่ไปอยากกับเสียงแล้วเราจะเฉยเสียงอะไรก็ได้เสียงนก ก, ก็ได้เสียงกาก็ได้ดตอนนี้มันดาเราเราก็ไม่ว่าเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันด่าเรามันชมเราเราก็ไม่รู้ว่ามันชมเรา ล้าก็รู้ว่าเป็นเสียงเกิดแล้วดับเสียงคนก็ให้ฟังเป็นเหมือนเสียงนกไปเลยเขาด่าแล้วก็เป็นเสียงนกไปเขาชมก็เป็นเสียงนกไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาอยากจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเขาอยากจะชมก็ปล่อยเขาชมไปถ้าเราเข้าใจธรรมชาติว่ามันเป็นอนัตตาเหมือนกับดินฟ้าอากาศ เราชอบเราเราชอบสั่งดินฟ้าอากาศออกมาทำไมลนะ่ะก็สั่งไม่ได้อนะสั่งให้มันฝนตกเดี๋ยวนี้สั่งได้ไหอสั่งให้เสียงแดงตอนนี้ให้มันหยุดได้ไหมเสียงเครื่องบินเนะี่ยทาไมไม่ทุกกับมันนะเพราะยอมรับมันไดนะ้แต่ถ้าเป็นเสียงด่านรับไม่ไดนะ้อยากจะให้ก็หยุดด่าทันที เพราะเราไปแยกว่าเป็นเป็นเสียงที่เราสั่งได้ห้ามได้อเสียงที่เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เราก็ไม่อยากเราก็ยอมรับมันเราต้องยอมรับว่าเสียงทั้งหมดนี่เหมือนกันสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเรายอมรับมันอนี่คือปัญญาให้เรารู้ว่าความทุกข์ของเรา เกิดจากความอยากของเราไปอยากในของที่ไม่เที่ยงให้หมันเที่ยงไปอยากในของที่ไม่ใช่ของเราที่เราสั่งไม่ได้ให้ให้เราสั่งได้สั่งให้มรรคอเป็นสัพพลุนได้ป่ะแต่สั่งให้คนนะคนไม่สูบบุหรี่ให้สูบไม่คนสูบบุหรี่ไม่ให้สูบบุหรี่ได้ป่ะเราไปสั่งก็าด้ไหมสั่งให้คนกินเหล้าไม่ให้กินเหล้าได้ป่ะ อยากให้ลูกดือ้อไม่ให้ดื้อได้หรอแล้วไปทุกข์กับมันทําไมเพราะอยากเพราะอยากให้มันไม่ดือ้อเพราะอยากไม่ให้เขาดื่มโซดาเพรานะ อ, อยากให้เขาไม่สูบกุหลาบก็เลยทุกข์กัน <c oughs> อยากให้มันไม่หยุดได้ไหมเนี่ยมันว่าสาธุสาธุ <c oughs> มันฟังทำรู้เรื่องเล <c oughs> มีดวงตาเห็นธรรมนี่มันก็อยากจะไล่เราไปแต่เราไม่ยอมไปตอนนี้มันฟังแล้วมันออกรู้ลนะเข้าใจนะสาธุเลยทีนี้บอาพูดไปเลยอยู่ตรงนี้ไปตอนต้นมันก็อยากจะไล่เราไปถ้าเราเป็นทุกแกเราคงอยากจะไล่พวกเราไปเพราะเราเป็นเจ้าของที่นี่เราจะคิดว่าเราเป็นเจ้าของที่นี่นอนที่นี่อยู่ที่นี่พอไกลมาเข้าบ้านแล้วเราก็ไม่ชอบใช่ไหม เนี่ยมันก็คงอยากจะให้เราไปกนะันแต่อย่างนั้ก็ไปไม่ได้ไม่ไปอยู่ดีพอมันฟังธรรมรู้ว่าเป็นอนัตตางันเลยสาธุเลยอยู่ไปเลยบอพี่อยู่ไปเลยนี <c> ่ <oughs> อยากจะอยู่ก็อยู่ไปเลยอา น, นิจจาเดี๋ยวก็ไป <c oughs> ไม่อยู่ไปตลอดหรอกตลาด เ, เห็นอา น, นิจจาล้วก็เฉยๆไนดะ้ตอนนี้มันไม่ไปเดี๋ยวมันก็ไปเนะี่ย ตอนนี้มันยังไม่ตายเดี๋ยวมันก็ตายไม่ต้องไปฆ่ามันให้ไปเป็นบาปเป็นกรรมเดี๋ยวถึงเวลามันก็ตายเองไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกอยากจะฆ่าใครก็ไม่ต้องฆ่าเพราะมันเป็นอนิจจเดี๋ยวมันตายอยู่แล้วตายช้าตายเร็วเท่านั้นเองเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ตายเองก็เนายถ้าคนเห็นอนิจจทุกขังอนตตาแล้วจะสบาย<ม>จะไม่วุ่นวายไปกับอะไร จะปล่อยวางได้จะสักแต่ว่ารู้ได้จะไม่มีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเนี่ยจะไม่มีเพราะรู้ว่าสั่งไม่ได้สั่งให้ฝนตกไม่ได้สั่งให้ฝนหยุดไม่ได้สั่งให้ทุกแก่ไม่ร้องไม่ได้เมื่อกี้สั่งให้มันหยุดได้ไหมไม่ได้พอเราไม่ไปสั่งมันไม่ไปอยากมันเราทุกข์ไหมไม่ทุกข์ แล้วมันเป็นอนิจจารึเปมันเสร็จแล้วมันก็พายไปแล้วเนี่อเสียงอนิจจารูปเสียงเกิ่นลดโภธภัพเป็นอนิจจาเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นอนิจจาเป็นนิจจาเป็นเป็นอัตตาถ้าเราไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราเราจะไม่ทุกข์ เราต้องอยู่กับความจริงเราจะไปอยู่กับความอยากตรงวันนี้พวกเราอยู่กับความอยากกันอะไรทุกข์กันอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันทำไมไม่ให้เขาเป็นตามความเป็นจริงของเขาล่ะเขาเป็นสับปะรดให้ก็เป็นสับปะรดไปก็หมดเนื่ออยากไปอยากให้เขาเป็นมะละกอคนสุกไดีก็อยากจะให้เขาไม่สุกไปนี คนกินเหล้าก็อยากจะให้เขาไม่กินเหล้าอยากไปแล้วมันมันได้หรือเปล่าก็ได้แต่ความทุกข์เนี่ยเข้าใจคาว่านิจังทุกของอาาังานัตตาอันนิจจังกับอนัตตามันอยู่กับที่รูปเสียงกลิ่นรสผดถพะแต่ทุกข์นี่มันอยู่ที่ใจเราเข้าใจไนหะอใจเราที่ไปอยากให้เขาเป็น ไปตามความอยากของเราเนี่ยมันทุกข์นะฮะรูเสียงกลิ่นรสผด ภ, ภพมันไม่ทุกข์หรอกมันไม่มีความทุกข์ห้ความทุกข์มันอยู่ในใจเราที่ไปไปเห็นว่ามันเป็นนิจจังอัตตาเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าเราเห็นว่ามันต้องเปลี่ยนแปลง เห็นว่ามันเกิดดับ เ, เกิดแล้วต้องดับเห็นว่าเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันอัอนิจจังทุกขังอนัตตานี้มันอยู่สองสองที่มันไม่ได้อยู่ที่เดียวตอนต้นเราอาจจะคิดว่ามันอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสทั้งสามเหมนไม่ใช่ที่รูปเสียงกลิ่นรสนี่มีหยุดมีอานิจจังอนัตตา น, น่ะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอานิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วดับ อนัตตาไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แต่ทุกข์นี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่อริยสัจสี่ทุกข์เพราะความอยากอยากในรูปเสียงกิ่นรสก็ทุกข์เวลาอยากแล้วไม่ได้อยากดูแล้วไม่ได้ดูอย่างนี้ก็ทุกข<ส>์เกิดจากความอยากของเราความทุกข์เกิดจากความอยากของเราถ้าเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่าเราสั่งมันไม่ได้ ถ้าเราไม่ไปอยากกับมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ที่ใจเราที่ความทุกข์อยู่ที่ใจเราเกิดจากความอยากของเร า, าเราต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราไปอยากให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามไม่เที่ยงอย่าไปอยากให้มันเที่ยงมันไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากให้มันเป็นของเรา อย่าไปสั่งอย่าไปห้ามมันถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงนี่เรียกว่ามีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วเราก็จะไม่ไปสั่งมันให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะไม่ไปอยากให้มันเที่ยงเพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงดเดี๋ยวมันก็ดับเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาที่ทุกนี้ไม่ใช่สิ่งต่างๆที่ทุกที่ทุกคือเราเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาหนึ่งจะเป็นสองส่วนด้วยกันอนิจจังอนัตตาคือสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผุดพระลาบยศสรรเสริญเนี่ยเป็นอนิจจเกิดแล้วดับอนัตตาไปสั่งก็ไม่ได้ถ้าสั่งได้ก็รวยกันทุกคนเลย สั่งให้ลาบมาวันนี้สั่งัานใหญ่เนี่ยจะซื้อบอร์ซื้อเลขกั น, นต้องดูนี่มันจะมาทุกคนหรือเปล่าบางคนก็มาบางคนก็ไปเวลาไปสั่งก็ต้องจ่ายงินแล้วใช่ไหมไปก่อนละง้รดุฉลาดอยู่ดีๆก็ฟังก่อในให้เขาไปดีๆเนี่ยเพราะความโล่งไงคิดว่าให้เราเดี๋ยวจะได้กลับม า, ม า, มากกว่าที่ให้ไป มันจะมากกว่าได้ไงในเมื่อเงินรางวัลมันก็มาจากเงินที่คนเอาไปแทงหวยนี่แหละนี่คือคนไม่ฉลาดมองไม่เห็นวความไม่เที่ยงในลาบยศสารเสงมองไม่เห็นว่าอนัตตาว่าสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันมาไม่ได้บางทีก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันสั่งมันไม่ได้ก็ยังอดที่อยากจะสั่งมันไม่ได้ ยังอยากได้แสดงว่ายังเห็นไม่จริงยังไม่เป็นปัญญาจริงถ้าปัญญาจริงต้องหยุดความอยากได้ถึงจะเรียกว่าปัญญาเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเงินทองได้มาม า, มากน้อยเท่าไหร่มันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดหรอกเดี๋ยวเวลาเราตายมันก็ไปคนละทิศคนละทางนะหรือบางทียังไม่ทันตายก็ใช้หมดละ มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันหมดเหมือนกันหมดตอนตายหรือหมดตอนไม่ตายเช่นเดยมันก็หมดแล้วเวลามันหมดมันดีไหมล่ะ <c oughs> ใช่ไหยพอเงินหมดแล้วเไป็นยังไงเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะยังต้องใช้เพราะยังอยากจะใช้เงินอยู่ถ้าไม่มีความอยากจะใช้เงินแล้วมันไม่เดือดร้อนเนี่ยมาเป็นพระนะมีเงินหรือไม่มีเงินไม่เดือดร้อนพระที่เขามาบวชกันเนี่ยก็ไม่มีเงินะ เขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเขาเลยไม่มีความอยากจะได้เงินได้ทองอยากใช้เงินใช้ทองอนัตตาสั่งมันไม่ได้สั่งมันได้ทุกคนในเมืองไทยก็เป็นเศรษฐีกันหมดแล้วเพราะทุกคนก็อยากจะได้เงินงินทั้งนั้นนี่คืออนิจจาอนัตตาที่ทำให้เราทุกข์กันเพราะเราไปอยากให้มันเป็น นิจจะเป็นอัตตาอยากให้มันเป็นสับ ป, ปลส์เมื่อมันเป็นมลรคอแต่อยากให้มันเป็นสับ ป, ปลส์พอไม่ได้มรรคอพอไม่ได้สับ ป, ปลส์ก็เลยทุกข์กันมันเป็นมลรกอรก็เอามรรกอทั้งหมดเรื่องไม่เห็นได้เสียหายตรงไหนก็กินได้เหมือนกันเห็นไหมคนที่เขาไม่มีเงินไม่มีลาบยศสรรเสริญเขาก็อยู่ได้เขาก็ไม่เดือดร้อน พระสงองค์เจ้านี่ท่านก็มาอยู่แบบไม่มีเงินกันไม่มีลาบยศสารเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไห่เสษกันท่านก็อยู่ได้ท่านอยู่ได้เพราะอะไรท่านอยู่ได้เพราะปัญญาเพราะรู้ว่าการเสษรูปเสียงกลิ่นรดการเสษลาบยศสารเสริญ น, น, นี่มันเป็นทุกข์ทุกตอนที่มันไม่มีทุกตอนที่มันหมด ตอนที่มันมีเนะี่ยมันสุขตอนมีเงินเนะี่ยมันสุกตอนมีตำแหน่งเนะี่ยมันสุะตอนมีคนสารละเสรเนะี่ยมันสุขตอนมีรูปเสียงกลิ่นรสผดพ้าให้เสพเนะี่ยมันสุกแต่ตอนไม่มีเนี่ยสิมันทุกข์เนี่ยที่ฆ่าตัวตายกันกระโดดตึกตายกันก็เพราะเวลามันไม่มีเนะี่ยเวลาสิ้นเนื้อประดาตัวนี้เป็นยังไงคนฆ่าตัวตายก็ก็สูญเสีย ลาบยศสรรเสริญสูญเสียนูสเสียงกิริลดไปเนี่ยไม่ได้สูญเสียอะไรหรอกเพราะมันทุกข์ไงทุกข์ด้วยความอยากอยากได้คืนอยากได้กลับมาของที่เสียไปอยากจะได้คืนมาทุกไหมเวลาอยากจะได้คืนมาแล้วได้คืนหรือเปล่าก็ไม่ได้อย่างนี้แล้วไปอยากทำไมอยากให้มันทุกข์ทำไมเนร่าะไม่เห็นไม่เห็นด้วยปัญญาไม่พิจารณาว่า ราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะมันไม่เที่ยงเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติทุกอย่างในโองนี้เป็นธรรมชาติร่างกายของเรานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติรูปเสียงกลิ่นรสราบยศสรรเสริญนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่เราไปแยกมันออกมาว่ามันไม่ใช่เป็นธรรมชาติเป็นของเรา เราสามารถสั่งมันได้สามารถเอามาเป็นของเราได้แต่สั่งได้บางเวลาพอเวลาที่สั่งไม่ได้ก็ปวดร้าวเข้าไปในหัวใจเวลาน่างกายคนที่เรารักตายไปนี่หัวใจนี่ล่มสลายทันทีเพราะสั่งมันไม่ได้เพราะไม่คิดล่วงหน้าไว้ก่อน คว่าตอนนี้สั่งได้ก็เลยคิดว่าจะสั่งได้ไปเรื่อยๆพอถึงเวลาสั่งไม่ได้ก็เลยห้ามใจไม่ได้ใจก็เลยเสียใจนี่เพราะไม่มีปัญญาขาดปัญญาไม่สอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาอยู่นี้มันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราวันดีคืนดีมันจะจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ แต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจสอนใจให้มีทัศนคติใหม่ให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เทียเท่ยงไม่ใช่ของเราแล้วเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เดือดร้อนของที่เป็นของคนอื่นเราเสียใจนะเดือดร้อนนะเวลาคนอื่นตายคนที่เราไม่รู้จักตายนี่เราเดือดร้อนนะเพราะเราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเรา เราไม่มีความอยากให้เขาเที่ยงเขาจะเที่ยงไม่เที่ยงก็เรื่องของเขาเพราะเขาไม่ได้เป็นของเราฉะนั้วเราต้องพยายามมองทุกอย่างให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราวันนี้ไม่ช้าก็เร็วเรากับเขาก็ต้องแยกทางกันทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องแยกทางจากเราไป เราเป็นดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายอันนี้เราใช้ร่างกายอันนี้เป็นลูกน้องพาเราไปไหนมาไหนเราอยากจะดูก็ต้องพาร่างกายให้ร่างกายนี้พาเราไปดูอยากจะดูหนังก็ต้องพาให้ร่างกายเราพาไปที่โรงภาพยนตร์อยากจะดื่มอดื่มนับประทาน ก็ทำให้ร่างกายนี้พาเราไปที่ร้านอาหารท่านั้นเองนี่คือร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราต่อไปมันจะพาเราไม่ได้ตอนนี้มันแข็งแรงมีกำลังมังชาเดี๋ยวต่อไปมันก็จะแก่เดี๋ยวมันก็จะเจ็บเหมือนกับโยมเมื่อกี้นี้จะสั่งให้มันหายใจดีๆได้ไหม หายใจเงียบๆเหมือนคนอื่นนั้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เพฉนั้นถ้าเรารู้จักคิดไปในทางปัญญาแล้วเราจะไม่อยากกับอะไรเราจะอยู่กับเขาได้โดยที่เราไม่ทุกข์กับเขาเพราะความอยากมันมีทั้งอยากได้หรืออยากให้เขาไป ถ้าเ้ายังอยู่กับเราอยากให้เขาไปก็ทุกข์อีกถ้าเขาไปแล้วอยากให้เขาอยู่ก็ทุกข์อีกเช่นคนที่เราไม่ชอบนีอยากจะให้เขาไปเขาไม่ไปเราก็ทุกข์อีกต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบคนที่ชอบอยากให้เขาอยู่พอเขาไปเราก็ทุกข์อีกเนี่ยเราต้องไม่อยากทั้งสองอย่างไม่อยากให้เขาไปไม่อยากให้เขาอยู่ต้องเฉยเฉย ต้องไม่มีความอยากทั้งสองอยา่างความอยากให้เขาไปก็เป็นทุกข์ความอยากให้เขาอยู่ก็เป็นทุกข์อยากให้เขาไปก็เรียกว่าวิภาวะตันหาให้หายไปวิภาวะให้ภาวะนี้หายไปเรียกว่าวิภาวะตันหาภาวะตันหาก็คืออยากให้ภาวะนี้อยู่อยากให้มีภาวะนี้อยากให้เขาอยู่นี่ก็เรียกว่าภาวะตันหาต้องไม่มีทั้งสองอยา่าง ดังนถ้าเกิดร่างกายเจ็บไา้ได้ป่วยเหมือนโยมเมื่อกี้นี้ถ้าอยากให้มันตายก็จะทุกข์เองอยากให้มันตายก็ไม่ได้เมื่อมันยังไม่ตายก็ต้องอยู่กับมันไปก็จะอยู่แบบไม่ทุกข์ได้เพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเพียงไปอยากกับร่างกายทั้นหนึ่งไปทุกข์กับร่างกายทั้นหนึ่งเพราะใจหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นใจใจก็เลยอยากให้ร่างกายดีตลอดเวลา แต่ร่างกายนี้มันเป็นอนิจจามันดีตลอดเวลาไม่ได้มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งเกิดมีทั้งดับมีทั้งเจริญมีทั้งเสื่อมมีทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยมีทั้งไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันสลับกันไปสลับกันมาเราต้องอยู่กับมันได้ทุกรูปแบบความจริงเราอยู่ได้ถ้าเรามีปัญญาถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็น อย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ก็ให้เขาเป็นอย่างนี้เราก็จะอยู่กับเขาได้ที่เราอยู่กับเขาไม่ได้เพราะเราไม่ยอมให้เขาเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นมันก็เลยทำให้เราไม่สบายใจเอาเขาไม่สบายก็อยากจะให้มันหายพอไม่หายใจก็ไม่สบายพอมันสบายก็ไม่อยากให้มันไม่สบายพอมันไม่สบายก็ก็ทุกข์เ ยังต้องเฉยๆมันจะสบายก็ปล่อยมันสบายไปมันจะไม่สบายก็ปล่อยมันไม่สบายไปแล้วเราจะอยู่กับความสบายกับความไม่สบายได้เท่ากันจะมีความรู้สึกเหมือนกันคือเฉยๆเหมือนกันไม่เดือดร้อนใจสบายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายสบายใจก็ไม่เดือดร้อนร่างกายไม่สบายใจก็ไม่เดือดร้อน พอใจไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่สบายหรือสบายสบายก็ได้ไม่สบายนี่คือวิธีที่ถูกต้องสำหรับการที่เราจะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสบายใจก็คือเฉยเฉยเขาเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นไปไอมาดิมาตั ว, วนั่นเองตอนนี้ก็สาทุ่งแล้วเนย สาธุสาธุสาธุเขาฟังเข้าใจจริงจบทุกแกมันเข้าใจคนฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้นี่หัดเอาไปคิดนะต้องคิดบ่อยๆเพราะพอไม่คิดปั๊บมันจะไปคิดแบบเดิม ท, ทันทีเหมือนคนที่หัดคนที่ใช้มือขวานี่ถนัดมือขวานี่ น่าจะให้มันใช้มือซ้ายนี้ต้องคอยบังคับมันถ้าไม่บังคับปั๊บเดี๋ยวเผลอมันกลับไปใช้มือขวาแล้ว mm. มันถนัดคิดแบบนี้คิดว่าทุกอย่างเที่ยงทุกอย่างเป็นของเราทุกอย่างจะให้ความสุขกับเรา mm. พอมันไม่เที่ยงขึ้นมาก็ทุกข์กัน mm. พอไปสั่งให้เขาทำตามที่เราสั่ง mm. เขาไม่ทำตามเราก็ทุกข์กัน นะคือปัญญาของทางศาสนามีแค่นี้เองมีแค่สามตัวนี้ถ้าเห็นสามตัวนี้เข้าใจสามตัวนี้แล้วอจะอยู่อย่างมีความสุขไม่เที่ยงเนี่ยรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงคือมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีมามีไปมีการพัดผ่าจากกันเป็นธรรมดาเรียกว่าอานิจจาไม่ใช่ของเรา สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันจากเราไม่ได้รือสั่งให้มันไปไม่ได้คนที่เราไม่ชอบจะสั่งให้มันไปมันก็ไม่ยอมไปคนที่เราชอบจะห้ามไม่ให้เขาไปเขาก็จะไปเราต้องสลับกันคนที่เราชอบก็สั่งให้เขาไปคนที่ไม่ชอบก็สั่งให้เขาอยู่จะได้ดังใจอยากเี่ย เขาอยู่อยู่กับคนไม่ชอบก็ดีใจได้ได้ดังใจอยากคนที่เราชอบสั่งให้เขาไปเวลาเขาไปเราก็ได้เราก็สมใจอยากเราก็ไม่ทุกข์เราต้องกลับตาละปาดกันต้องสลับกันสลับความอยากกันคนอยากนี่คนที่เราเลิกนี่อยากให้เขาไปเวลาเขาไปแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์พรได้ดังใจอยากเดี๋ยวก็ต้องไป คนที่อยู่ก็ก็หัดหัดอยากให้เขาอยู่คนที่เราไม่ชอบก็อยากให้เขาอยู่เพราะเวลาเขาอยู่เราก็จะ ไ, ไม่ทุกข์กับเขาถ้าไม่ได้ก็เพียงแต่เฉยๆกับเขาไปก็แล้วกันไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปชอบไม่ต้องไปชังเขาถ้าเราจะอยู่กับเขาได้เขาจะไปเขาจะอยู่ก็จะไม่ทําให้เราเดือดร้อน สังเกดูของที่เราไม่ชอบคนคนที่เราไม่ชอบไม่ชังนี่เราจะไม่มีความรู้สึกอะไรกับเขาเขาจะมาเขาจะไปเราเฉยๆไอ้คนที่เราไม่รู้จักเนี่ยญาติโยมที่มานี้จะว่าชอบก็ไม่ชอบจะว่าชังก็ไม่ชังใช่ไหมเวลามาก็ไม่ก็ไม่เดือดร้อนเวลาไปก็ไม่เดือดร้อนนั้นหัดสอนใจให้เราอย่ารักอย่าชังวิธีที่จะทาใจให้เราไม่รักไม่ช่าย ก็ต้องทำสมาธิต้องฝึกสติสอนใจให้หยุดคิดปรุงแต่งถ้าจะหยุดคิดปรุงแต่งแล้วใจจะเฉยใจจะไม่รักไม่ชังจะสักแต่ว่ารู้เห็นคนนี้ก็สักแต่ว่ารู้เห็นคนนั้นก็สักแต่ว่ารู้จะไม่เห็นว่าเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมา แล้วเราจะไม่ทุกอยู่อยู่กับคนรักก็ได้อยู่กับคนช่างก็ได้เสียคนรักไปก็ได้เสียคนช่างไปก็ได้เพราะไม่มีความรักความช่างกับเขาเป็นคนเหมือนกันเกิแก่เจ็บตายเหมือนกันดินน้ำลมไฟเหมือนกันอาการ32เหมือนกันแต่เราไปแยกเหมือนด้วยสมมุติแยกว่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราถ้าอะไรเป็นของเรานี้ต้องรัก ถ้าไม่ใช่เป็นของเราก็เฉยนี่ยเราสบายเวลาคนที่เราเฉยคนที่เราไม่รักนี่เขาตายไปเราไม่เดือดร้อน <IS ung> แต่คนที่เรารักนี่เวลาเขาตายไปเราเดือดร้อนอเราไปรักเขาทาไมทำไมเราไม่ทำเหมือนกับคนที่เราไม่รักคนที่เราไม่รู้จัก <IS ung> คนที่เราไม่รู้จักนี่เขาจะตายก็ไม่ตายเราไม่เดือดร้อน <IS ung> แต่คนที่เรารู้จักคนที่เราไปรัก ไปว่าเป็นของเราเนี่ยเราเดือดร้อนขึ้นมาทันทีต้องมองให้เห็นต้องมองว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเรารักก็ต้องรักแบบไม่ยึดไม่ติดรักได้คนที่เราไม่รู้จักเราก็รักได้รักด้วยความเมตตาสัพเพสัตตามีความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขรักแบบนี้รักได้แต่อย่าไปรักแบบต้องเป็นของเราไปตลอดอย่างเงี้ยจะทำให้เราทุกข์ รักได้แต่จะต้องรักแบบว่าเป็นความรักที่รู้ว่าจะต้องมีวันสิ้นสุดรักด้วยปัญญารู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากให้เป็นของเราไปตลอดต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เขาจะไม่ได้เป็นของเราเวลาเขาไม่เป็นของเราเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นของเราแต่ต้นนี้เราก็จะไม่ทุกข์ เราต้องมาแก้ความหนุมของเรานอันนี้กลับไปสำรวจดูว่ายังมีอะไรเป็นของเราอยู่หรือเปล่าถ้ามีรีบเปลี่ยนชื่อซะใหม่ก็ไม่ได้เป็นของเรานะลออเขียนเขียนป้ายติดไว้อันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้ไม่ใช่ของเราะเป็นของยืมเข้ามาอลูกก็ไม่ใช่ของเราบ้านก็ไม่ใช่ของเราข้าวของเงินทองก็ไม่ใช่ของเราเอรถยนต์ก็ไม่ใช่ของเราะ คิดว่าเป็นของยืนเข้ามาถ้าคิดว่าเป็นของยืนเข้ามาเดี๋ยวเวลาเขาเจ้าจของมาขอคืนไปเราก็จะได้คืนเข้าไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะได้เตรียมตัวอยู่แบบไม่มีอะไรการไม่มีอะไรเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีอะไรต้องเสียใช่ไหมถ้ามีแล้วมันก็ต้องเสีย เพราะทุกอย่างที่เรามีนี้มันไม่เที่ยงมันต้องมีวันดับมันมีวันเสียแต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีอะไรให้เสียเมื่อไม่มีอะไรให้เสียมันก็ไม่มันก็ไม่มีความทุกข์ตามมาจะอยู่แบบไม่มีอะไรได้ก็ต้องอยู่แบบมีความสุขใจถ้าใจมีความสุขในตัวเองก็ไม่ต้องไปมีอะไรมาให้ความสุขที่ ตอนนี้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับใจก็เพราะใจไม่มีความสุขในตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่าเรานี่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีลาบยศสันตเซินไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลภะ ไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีคนนั่นคนนี้มาให้ความสุขกับเราอย่นรีบไปหาความสุขในใจเราเถิดถ้ามีความสุขในใจแล้วเราจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกใจเราได้จะทิ้งราบยศสรรเสริญจะทิ้งรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้จะอยู่แบบไม่มีอะไรได้นี่คือสิ่งที่เราทำได้กัน โอกาสที่จะได้พบกับพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งนี้มันไม่ใช่ของง่ายนานๆจะพบสักทีหนึ่งนานๆจะมีคนมาบอกความลับอันวิเศษให้เรารู้กันว่าเรามีของดีอยู่ในตัวเราแล้วทำไมไม่หากันทำไมไปหาของไม่ดีข้างนอกเราทำไมของต่างๆที่เราไปหา ม, านมันไม่ดีเพราะมันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราไปสั่งมันไม่ได้ของที่เราสั่งได้ทำไมเราไม่หากัน ใจเราเนี่ยสั่งได้หัดสั่งมันสิหัดสั่งให้มันสงบมันสงบแล้วมันจะให้ความสุขกับเราเราไม่เคยพบกับความสุขใจเลยเพราะใจเราไม่เคยสงบเลยแต่ถ้าเรามาฝึกหัดสั่งใจให้มันหยุดคิดได้พอใจหยุดคิดแล้วใจเราจะสงบสงบแล้วใจจะมีความสุขมากพอมีความสุขใจแล้วทีนี้ก็ ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ไม่ต้องมีและเงินทองไม่ต้องมีตําแหน่งไม่ต้องมีให้ใครมาคอยสารเสรวนเยืนยอไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสของคนนั้นคนนี้มาเศษของพวกนี้เป็นของไม่เที่ยงเวลาไม่มีเศษมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไปติดมันถ้าเราไม่ติดมันเราไม่เศษมันเวลามีหรือไม่มีเราก็จะไม่เดือดร้อน พอเรามีความสุขทางใจมีความสงบใจจะสงบก็ต้องมีสติสติจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องให้ใจอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับทำบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเดียวถ้าอยู่กับพุทโธอย่างเดียวมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แล้วมันก็จะสงบสงบแล้วมันก็จะมีความสุข แล้วมันก็จะไม่ต้องมีอะไรก็ได้อยู่กับความว่างได้อยู่กับความว่างเปล่าได้อยู่กับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวได้เพราะมันจะไม่รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวรู้เศร้าเศร้าอ่อยเงาเพราะมันมีความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่นะนี่คือปัญญาปัญญาตัวแรกต้องเห็นทุกข์แล้วปัญญาตัวที่สองก็เห็นสุขต้องมีสองตัวนี้ ต้องเห็นว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสุขเนี่ยทุกข์ก็คือราบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเนี่ยทุกข์ทั้งนั้นสุขคืออะไรก็คือความสงบของใจตอนนี้เราเห็นกับตาลราปัดกันเห็นว่าราบยศสารเสริญเป็นสุขกันเห็นว่าความสงบเป็นทุกข์กันเห็นว่าการนั่งสมาธิมาถือศีร น, นั่งหลับตาพุทโธพุทโธนี่เป็นทุกข์กัน ยังไม่มีใครอยากจะทำกันเห็นว่าการไปดูหนังฟังเพลงนี่เป็นสุขกันอันนี้เรียกว่าโมหะอวิชชาความหนงความไม่รู้ความจริงถ้ามีปัญญาแล้วจะรู้ว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นทุกข์ร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันมีเกิดไม่ดับ สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราอของที่สั่งได้ก็คือความสงบนี้ไม่สั่งกันนี่แหละสามารถสั่งให้สงบได้พระพุทธเจ้าสั่งมาแล้วพระสาวกสั่งมาแล้วสั่งให้ใจสงบได้ตลอดเวลาเป็นความสุขตลอดเวลาเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด นี่แหละคือของแท้ของจริงอันนี้ก็ปัญญาปัญญานี้ต้องรอพบกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจเรานี่เองและการจะทําใจให้สงบได้ก็ต้องใช้สติหยุดความคิดใช้ปัญญาหยุดความอยากอย่าให้ใจกลับไปหาความทุกข์ปัญญาจะห้ามใจไม่ให้กลับไปหาความทุกข์เวลาอยากได้รูปเสียงกลิ่นนัก็ห้ามว่าอย่าไป อยากจะดื่มกาแฟก็อย่าไปดืม่มอยากจะสูบบุหรี่ก็อย่าสูบอยากจะไปช้อปปิ้งก็อย่าไปมันเป็นทุกข์เพราะเวลาอยากแล้วไม่ได้ทำมันจะทุกข์มาทำในสิ่งที่เราทำได้ตลอดเวลานี่คคือทำใจให้สงบนี่คือเรื่องของปัญญาขอให้เรารู้ทุกรู้สุข รู้ว่าอนิจจังทุกขังอันนี้จังทุกขงัอนน ง, กของอนัตตาว่าเป็นทุกข์ให้รู้ว่าสติปัญญานี้เป็นสุขแล้วก็ให้เดินเข้าหาความสุขให้เดินออกจากความทุกข์เดินออกจากสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเดินเข้าหาสติปัญญาที่จะเป็นตัวที่จะสร้างความสุขให้ที่แท้จริงให้กับเราเอาแล้วนะก็พอสมควรแก่เวลา ก็าจะอนุโมทนาให้พรยะ า, าวาเลวะหาปุราปริปุเลนติสากรังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปะปะับปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทูปนาระโสยาธาณิโชติ ระโสยะธาสัพพิตโยวิวาจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอะิวาธนศิลิสนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมาวัานติอายุวโนสุขังภาลัง ถ้าอยากได้หนังสือซีดีก็มาหยิบได้หนังสือนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกันสิ่งที่เราเห็นกับตาเราได้ยินกับหูเราก็เป็นปัญญาได้ถ้าเรารู้จักเอามาคิดกันถ้าเห็นอะไรแล้วว่าไม่เที่ยงมันก็จะหยุดความอยากได้ถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรา เป็นของชั่วคราววันนี้เข้ามาเท่าไหร่ Facebook ทั้ง a c e b o o k สูงสุด429ค่ ะ, ะทั้ o u t u b e สูงสุด119ค่ะเทตากันทุกวันถ้าวันธรรมดาก็420ก็1 2 0ประมาณ540เดี๋ยวพวกนนี้ก็ลดเหลือ300กว่า เหล้วเจ็ดสิบลดประมาณดาวทิศไม่วา่าไปทำธุระ ไ, ไปต่างจังหวัดไปนู่นมานี่ไปช้อปปิง้งไปอะไรกันแต่ว่าจะสังเกตว่า y o u ู u b e ร้อยี่สิบไม่ไม่ลดเลยอนะ่ะไม่ลดแต่แต่ว่าเ c e b ุ๊ k เนี่ยตอนแรกก็สี่ร้อยกว่าอตอนนี้ตอนนี้เหลือ 330. อีกสามร้อยสามิบือลดลงไปเจ็ดร้อยคน มีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีจะให้ทางบ้านถามด้วยนะอ่าที่ติดตามทาง Facebook กับ YouTube YouTube, YouTube มีเข้ามาบ้างไหมแล้วส่วนใหญ่มาจากเฟซบุ o กกัน u t u b e มีน้อยค่ะอ่าคถามจามกคุณพัชลาค่ะอวิชชาเป็นจุดเริ่มของการเกิดขันห้าใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกอวิชชาเป็นจุดเริ่มของการเกิดของตัญหาความอยาก ความไม่รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลยทําให้อยากไปคิดว่ามันเป็นสุขขังอัตตาไปคิดว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขกันไปคิดว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงความคิดที่ว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเรามาเป็นของเราเนี่ยมันเลยทําให้เราเกิดความอยากขึ้นมาพออยากเราก็ต้องทุกข์เพราะว่าเดี๋ยวมัน ของที่เราได้มาเราก็ต้องเสียไปเวลาเสียก็ร้องห่มร้องไห้กันอวิชชาคือไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้ว่าเป็นอันเป็นนิจจังสุขังอัตตากันเห็นกับตาละปัดไปเห็นงูเห่าเป็นปลาไหลไปจับปลาไปจับงูเห่าเพื่อจะเอางูเห่ามากินเอาจับงูเห่าก็เลยโดยงูเห่ากัดตาย พ่าไปคิดว่ามันเป็นปลาไหลเนี่ยเรียกว่าความโง่ความไม่รู้ไม่รู้ความจริงวิชาแปลว่าความไม่รู้ความจริงความไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ไปรู้ว่าเป็นว่ามันเป็นสุขไปคิดว่ามันเป็นสุขก็เลยวิ่งเข้าหามันพอเข้าหามันก็เลยเจอมันน็อกเอาเจอมันกัดเอาข้อสองค่ะ พระสูตรกับพระปรลิตต่างกันอย่างไรคะก็ลองไปถามใน google ในฝันนี่เราไม่ขี้เกียจตอบใส่คําว่าพระสูตรเข้าไปพระปริตเข้าไปเนี่ยวก็ได้คําตอบมาเยอะแยะตอนนี้สานเข้าไปได้ตอนนี้เลยอันนี้รวดเร็วเดี๋ยวนี้บางทีไม่ต้องเขียนก็ได้ถามก็ได้เดี๋ยวนี้มือถือถ้าเราพูดภาษาอังกฤษเป็นถามมันก็ได้ เมื่วานนี้เราถามไปเล่นๆพิซซ่าอยู่ไหนมันบอกอยู่ตรงโน้นอยู่ร้านโน้นอยู่น้านนี้ไม่เคยใช้มันเลยพอดีวันนี้เราเห็นมันไอ้โปรแกรมนี่เป็นโปรแกรมมันไม่เคยเห็นว่าเป็นโปรแกรมถามได้ถ้าต้องการอะไรถามได้กูก็จะหาคําตอบให้พูดเข้าไปเลยคํถาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะโซดาบันรักษาสีลห้าใช่ไหมคะ ถ้าทําไปเรื่อยๆศีแปดจะเลื่อนไปเองเป็นแต่ละข้อข้ อ, ขอและตามลําดับขั้นของมรรคผลใช่ไหมคะคือคำว่าสีกับโสดาบันนี่เหมือนคนละอย่างกันนะคือสีนี่ไม่ใช่โสดาบันก็รักษาได้เพียงแต่ว่ามันรักษาด้วยการบังคับเช่นสีห้าเนี่ยเราต้องบังคับมันมันไม่ไดร้รักษาด้วยความสมัครใจถ้าเป็นพระโสดาบันนี่จะรักษาด้วยความสมัครใจ พอเห็นด้วยปัญญาว่าการทำบาปนี้จะต้องไปเกิดในอบายเป็นทุกข์เหมือนกับการเห็นงูเห่าเนี่ยก็จะไม่เป็นเล่นกับงูเห่าแต่คนที่ตาบอดนี่ยังไม่เห็นว่าเป็นงูเห่าก็เลยต้องทำข้อกันไว้ไม่ให้ไปเล่นกับงูเห่าคนที่คนธรรมดาอย่างพวกเรานี่ที่ไม่ใช่เป็นสวสดาบาลเนี่ยสิ่นี้เป็นเหมือนคออคอยกันไว้ให้เราไม่ไปเล่นกับงูเห่า เพระดังนะในพระสุวรมันนี้ไม่ต้องมีคอกมีปัญญามีตาเห็นว่านี่เป็นงูเห่าไม่ไม่เดินเข้าไปหานี่คือความแตกต่างกันยังเราอย่าไปเข้าใจเรื่องของพระสดารันกับเรื่องของปุถุชนว่าไม่เหมือนกันพวกเราปุถุชนนี้เรายังไม่เห็นสิ่งที่พระสุวรรณเห็นเรายังไม่เห็นว่าการทําบาปนี่มีโทษตามมา แต่พระโสดาบันไดเห็นเห็นว่าทําบาปแล้วทุกข์ใจทุกข์ใจร้อนแล้วก็ตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปตกนรกเนพระโสดาบันเห็นมีดวงตาเห็นธรรมแต่พวกเรายังตาบอดอยู่เราไม่เห็น แต่ที่เรารักษาศีลเพราะเราเชื่อคนตาดีเชื่อเชื่อพระสโสดาบันเชื่อพระพุทธเจ้าว่าทำบาปแล้วจะต้องไปไปอาบายาเราก็เลยไม่ทํากันแต่ถ้าเกิดมีอะไรมาล่อแดงๆก็อาจจะยังทําอยู่เกิดใครให้เงินเยอะๆบอกให้ไปกงให้หน่อยเดี๋ยวก็ยังอาจจะทําอยู่เ <c oughs> พราะว่าเรายังไม่เห็นเราเพียงแต่เชื่อแต่พอมีใครเอาเงินมาล่อหน่อยฉะนั้นมีของ มีผลประโยชน์มาล่อไหนก็เลยไม่เชื่อเลยเปลี่ยนเปลี่ยนใจเชื่อเงินเชื่อผลประโยชน์มากกว่าเพราะไม่เห็นทางตาทำปุ๊บได้เงินปั๊กนี้โรมบานี้กูไม่รู้จะมีจริงหรือไม่จริงช่างโขวมมันไปก่อ น, น, นก็เลยเสีเเยเงินแล้รักษาแบบไม่ไม่แน่นอนถ้าไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องก็รักษาได้พอมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องนี่ล้มหมดอเอาผลประโยชน์ก่อนเอาเงินก่อน กล่องไม่รู้ว่าข้างในมีในกล่องเป็นอะไรสมัยก่อนก็มีก็มีเกมโชว์ในโทรทัศน์ที่นี่ก็กล่องวิเศษเออคนเล่นนี่เขาจะถามปัญหาตอบปัญหาพอตอบปั๊บเขาก็จะมีรางวัลให้เป็นเงินกับเป็นของในกล่องจะเอาให้เลือกเอาจะเอาอันไหนเงินนี้เห็นชัดชัดห้าพันหมืนหนึ่งในกล่องนี้อาจจะเป็นยาสีฟันหรืออาจจะเป็นทีวีเอหรืออาจจะเป็นรถเกง๋งไม่รู้ คนที่บ้านรู้แต่คนที่เล่นไม่รู้คนที่บ้านก็เที่ยวกล่กองเงาก่องเอาเงินเงาเงินแต่คนเล่นไม่รู้เนี่ยพวกเราพวกพวกที่ไม่รู้เราก็จะเอาเงินก่อนแล้เห็นชัดๆในกล่องเดี๋ยวเกิดเขาบอกอาจจะคิดเขาบอกอาจจะเป็นรถยนต์แต่กลายเป็นยาสีฟันไปก็จะเสียดายเสียใจเอาเงิน้ก่อนพวกเราก็เหมือนกันพอถึงเวลาจะได้ผลประโยชน์นี่บางที ถ้าให้ทำบาปก็ยินดีจะทำกันเพราะมันเห็นผลทันตาใช่ไหมเห็นผลประโยชน์ที่ได้เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันแต่ผลที่ได้รับจากการทำบาส น, นี้ไม่เห็นเลยแม้แต่คุกตารางก็ยังหนีสมัยนี้ยังหนีได้ยังยังหลบได้เขาก็ไม่กลัวกันในพวกนี้ไม่ใช่โสดาบันถ้าโสดาบันนี่ต่อให้ใครเอาเงินมาให้ร้อยล้านพันล้านก็ไม่เอาถ้าจะให้ไปทำบาส น, นี่คือสิ่งของโสดาบัน ศาสนาของปุถุชนมันไม่เหมือนกันกระจาใครัคำถามจากคุณบุญส่งข้อที่หนึ่งค่ะพรมวิหารสี่ประกอบด้วยเมตตาการุณาโมทิตาและอุเบกขาอยากทราบว่าจิตของอุเบกขาเป็นอย่างไรครับก็ต้องเข้าสมาธิอย่องไรว่าเฉยไงไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่รับไม่ชังเห็นอะไรก็เฉยใครนาก็เฉย ไม่คิดไปตอบโต้ขเขาใครชมก็ไม่ได้ดีใจกับการชมของเขาเฉยๆไปเรียกว่าอุเบกขาหรือว่าเวลาเห็นใครเขาเดือดร้อนอย่างเห็นโยเมื่อกี้ถ้าเป็นลูกมุกหลานเห็นแล้วก็อยากจะให้เขาหายก็จะทุกข์เนี่ยถ้าอยากก็แสดงว่าไม่มีอุเบกขาถ้าเฉยบอกว่ า, วามันเป็นธรรมดามันเป็นอนัตตาห้ามันไม่ได้ให้มันหายก็ให้ รักษามันก็รักษาไม่ได้ใจก็เฉยไม่ไปทุกข์กับความเจ็บไายได้ป่วยของพ่ออย่างเงี้ยก็มีอุเบกขาหรือไม่ทุกข์ร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าไม่มีอุเบกขามันจะทุกข์ร้อนมันจะอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นมันก็จะทุกข์จะร้อนขึ้นมาคนที่มีอุเบกขาก็จะไม่ทุกข์ร้อนเวลาใครด่าเราก็เฉย หรือว่าห้ามก็ไม่ได้ออย่างนี้เรียกว่ามีอุเบกขาข้อที่สองค่ะอุเบกขาของสมาธิจะต้องมีกําลังของสติและสมาธิใช่ไหมครับก็นั่นแหละมันเกิดจากสมาธิไง เ, เกิดจากสติถ้ามีสติพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆเวลานั่งนั่งสมาธิจิตสงบเป็นสมาธิอุเบกขามัจิตก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นม า, าข้อที่สามค่ะ อุเบกขาของวิปัสสนามีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างจากอุเบกขาของสมาธิอย่างไรครับ อ, อ, อันเดียวกันคือพอเรามีอุเบกขาจากสมาธิแล้วเราก็รักษามันด้วยปัญญาพอจะมีตัวที่จะมาทําลายอุเบกขาคือความอยากพอเราออกจากสมาธิมาอยากจะกินกาแฟนี่ความอยากความอุเบกขามันก็หายไปแล้ว ถ้าอยากจะให้อุเบกขากลับมาก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าการไปทําตามความอยากเช่นไปดื่มกาแฟนี้มันจะทําให้มันต้องดื่มอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเวลาไม่ดื่มไม่ได้ดื่มมันก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ไปดื่มเรากลับมาทําใจให้เฉยๆต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากมารบกวนใจอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาปัญญามีไว้เพื่อรักษาอุเบกขาที่เราได้จากสมาธิมา ออกจากสมาธิมาแล้วพออยากจะไปหาความสุขจากาลาบยศสรเสญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอออพอเราใช้ปัญญาปั๊บเราก็ไม่ทําตามความอยากใจของเราก็จะเป็นอุบเบกขาต่อไปจะสงบต่อไปจะเฉยเฉยต่อไปคําถามเชคุณสราวดีค่ะโยมนั่งอ่านหนังสือจิตสงบมาก แต่อยู่ๆก็เกิดอาการปวดหัวแล้วจิตเข้าไปรู้ทันมันก็ดับลงไปรู้สึกอัศจรรย์ใจมากๆว่ามันเกิดดับได้แล้วโยนปุ่นปฏิบัติอย่างไรต่อคะปกตินั่งสมาธิปฏิปฏบัติอานาปนานสติคะ่ะ อ, อ๋อของบางอย่างมันดับได้แต่บางอย่างเราก็ดับไม่ได้งั้นอย่าไปช้าลาใจอย่าไปคิดว่าดับได้ทุกอย่างเดี๋ยวคราวหน้ามันปวดท้องก็ไปทําให้มันดับพอดับไม่ได้เนี่ยมันจะทุกข์ วิธีที่ไม่ทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าบางทีก็ดับบางทีก็ไม่ดับดับได้ก็ดีดับไม่ดับดับไม่ได้ก็อยู่กับมันไปให้คิดอย่างนี้เพราะมันเป็นอนัตตาบางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้คราวนี้โชคดีสั่งมันได้สั่งปั๊บมันดับปั๊บแต่คราวหน้าสั่งแล้วมันไม่ดับถ้าอยากให้มันดับแล้วมันไม่ดับมันจะทุกข์ดังั้นอย่าไปายากให้มันดับพยายามดับมันได้แต่ถ้ามันไม่ดับก็ต้องอยู่กับมันไป คำถามจากคุณเพนค่ะการเลี้ยงสัตว์เพื่อขายเป็นอาชีพเลี้ยงดูตัวเองเมื่อคนมาซื้อไปฆ่าเพื่อกินเป็นอาหาราสัตว์โดนเขาฆ่ า, าเราจะเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะเราก็ไม่เลถ้าเราไม่ได้เป็นคนสั่งเขาให้ให้ฆ่าเราก็ไม่บาปถ้าไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าเลยื้อฆ่าเองก็ไม่บาปเียนแต่ว่าเรามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เขาได้ฆ่า คนที่ฆ่าน่ะ บ, บาปเราเป็นเพียงแต่ช่วยทำให้เขาได้ค่าง่ายขึ้นคือเราเตรียมสัตว์ให้เขาไว้แล้วถ้าเราเป็นสัตว์เราจะคิดยังไงระหว่างเอาสัตว์กับปล่อยสัตว์นีอันไหนจะดีกว่ากันถ้าเราเป็นคนใจบุญแล้วก็ปล่อยมันปล่อยนกปล่อยปลาไปมันก็จะได้ปลอดภัยมันจะได้ไปอยู่ตามธรรมชาติของมัน ถ้าเราเอามาเลี้ยงมันก็เท่ากับว่าเราจับมันมาขังคุกขังคุกแล้วก็รอให้คนมาซื้อเพื่อที่จะได้ไปค่าอีกทีถึงแม้เราไม่ได้ฆ่าเองมันก็เป็นอาชีพที่ไม่ดีใจเราไม่มีความเมตตาใจเรามีความโหดร้ายทารุณพอๆกับคนฆ่าเพียงแต่เราไม่ได้ฆ่าเท่านั้นเองคำถามจากคุณโกค่ะการดูแลท่าขันหรือร่างกาย เพื่อให้เราได้มีชีวิตอยู่บนโลกจนหมดอายุไขเราต้องใช้ร่างกานี้ไปเรียนหนังสือไปทำ ง, งานหาเงินไปเลี้ยงดูร่างกายรักษาโรคเลยสงสัยว่าร่างกายไม่เป็นของเราได้อย่างไรค ะ, ะก็เวลามันจากเราไปเป็นของเราแบบตอนที่มันตายตอนที่มันตายมันเป็นของไขเป็นของสับเปล่าไม่ใช่พ่อแม่ยังไม่เอาเลย <c oughs> คนที่อยู่เขายังไม่เอาเลย หัวเรามีเราเวลาเราตายเขาเอาเราไหยเราก็ไปไหนแล้วเราก็เป็นดวงวิญญาณไปแล้วร่างกายก็ทิ้งให้เป็นให้ทิ้งให้คนอื่นไปรับภาระไปเผาไปฟังกั น, ข อ, นขออนุญาตค่ะขออภัยเมืนโต้นนะคะถ้าพูดไม่เป็นเรื่องอะไรเลเจอนคือในช่วง2ี่สิบต้นๆเนี่ยยงเห็นท้าสายหวพ่อชาเนี่ยหลายประเทศอัศงกฤษสวิตซ์อะไรเงี้ย ศึกหมดเลยแล้วก็สึกแล้วมองเหมือนสมาธิเนี่ยเวลาท่านา น, นั่งเนี่ยก็จะนั่งแบบเหมือนเหมือนดียอะไรเงี้ยค่ะในความคิดของโยมเนี่ยแล้วด้วยกับน้องชายด้วยที่สึกมาจากวัดดอยธมเจดีเนี่ยแล้วเห็นเขาเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้เห็นทุกข์แท้จริงอะคะ่ะเขาเห็นว่าทางโลกยังสุขโยมก็เลยมาคิดเองด้วยตัวของประสบการณ์ตัวเองด้วยว่าเหมือนทุกข์เนี่ยมันต้องกําหนดเองอะคะ่ะ ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมันทุกที่เรามองไม่เห็น จ, จัดจ่ะมันเห็นยังเป็นสุกเนี่ยเราจะสู้กว่าเรยจะบอกใจตัวเองเนี่ยเขาว่ามันเป็นถูกอะค่ะนั่นเลยมันไม่มีปัญญาเนี่ยเพราะมันยังไม่ถึงขั้นปัญญาค่ ะ, ะจะมีวิธีไหนที่ถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะบอกใจให้ทุกเพื่อปฏิบัติเพื่อจะออกเข้าถึงปัญญาค่ะก็ต้องฝึกสมาธิก่อนเนี่ยมีวิธีเดียวเลยเหรอคะอ่าต้องฝึกสมาธิถ้า ฝึกสมาธิแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้ามันเห็นด้วยปัญญาแต่ไม่มีสมาธิมันก็สู้ความอยากไม่ได้รู้อยู่เป็นงูเหา่าแต่ก็ยังยังห้ามใจที่อยากจะไปเสพมันไม่ได้ดังนั้นเราต้องสร้างพลังใจคือสมาธิขึ้นมาถ้ามีสมาธิเราก็จะหยุดใจได้ แล้วถ้ามีปัญญาบอกว่าเป็นทุกข์เราก็จะไม่ไปหามันคือวิธีที่ก็คือที่ยอเข้าใจคือท่านบอกว่าให้กล่องใจคือพยายามฟังเทศฟังธรรมตลอดทุกกล่องไปเรื่อยๆ อ, อแล้วก็ส ม, สมาธิก็สลับกันอ่ะผัดกันเวลาทําสมาธิก็ไม่ต้องฟังเวลาฟังก็ไม่ต้องทําสมาธิสลับกันไปทําทั้งสองอย่างสลับกันไปฝึกสมาธิทําใจให้สงบอพอใจสงบแล้วออกมา ก็กล่อมใจซอนใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสราบยศสรเสริญเป็นทุกข์เพอะจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วพอความอยากอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรก็ปัญญาก็จะมาบอกว่าเป็นทุกข์น ะ, ะปัญญาบอกเป็นทุกข์ก็ไม่ไปถ้าใจมีสมาธิก็มีกำลังหยุดไม่ไปได้ถ้าใจไม่มีสมาธิก็สู้กิเลสไม่ได้แต่ว่าทุกข์นี่คือกหกตัวเองไม่ได้ หลอกตัวเองกําหนดเองไม่ได้ต้องเป็นสมาธิบอกมาว่านั่นคือทุกข์ก็ลองให้คนตีหัวเราดูเสีดูว่ามันทุกข์ว่าหลอกตัวเองได้ว่ามันสุขอย่างนี้มันคือเห็นทุกข์อะค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นกับข้าวอย่างเงี้ยคือมันมองไม่เห็นว่าทุกข์อะค่ะอะไรอย่างบ้านบ้านเรือนอย่างเงี้ยค่ะอก็เห็นว่าเป็นบ้านใหญ่โตสวยงามเป็นความสุขของเราคือเรามองไม่ก็ก็ไม่ไปดูตามมันพังบางไหม พังก็คือกําหนดเองด้วยว่าถูกว่ามันจะพางมาถึงทุกข์แต่มันไม่เห็นจ้าวว่ามันคือทุกข์อะค่ะก็ลองไปนอนใต้สะพานดูเลยสมมติว่าไม่มีบ้านอยู่สมมติว่าบ้านเราพังเนี่ยเรต้องไปนอนใต้สะพานดูนะช่วงคนที่น้ําท่วมเมื่อสามสี่ปีสีห้าปีก่อนน้าท่วมคนไม่อยู่บ้านไม่ได้ทุกข์ไม่ทุกข์กับบ้านมีบ้านแล้วมัน แต่คนที่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ก็ไม่ทุกข์คนที่ไม่มีบ้านอยู่อยู่ที่ไหนก็อ okay. ยู Alpha, ่ได er right. ้อยู่ใต้สะบานขอทานนี่ก็ไม่ทุกข์เขไม่มีบ้านเขอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่ได้พระพระทุโลงนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้มีบ้านก็มีกุฏิก็อยู่ไม่มีกุฏิก็อยู่ตามโคนไม้ไปเขาก็ไม่ทุกข์เพราะเขาเขาไม่ไปไปไปยึดติดกับบ้าน เราเห็นบ้านลราสวยและความสุขกับเรา mm hmm. นี่เรามองไม่ไม่เห็นเวลาที่ถูกเขายึดอะ่ะเกิด hmm. ทำงานไปแล้วตกงานไม่มีเงินผ่อนให้ธนาคาร mm hmm. เขาก็มายึดบ้านไปตอนนั้นมันสูงแล้วมันทุกข์ตอนที่ถูกเขายึดบ้านไปเนี่ย mm hmm. ไม่เห็นอนินจจังไม่เห็นมุมกลับ mm hmm. เห็นแต่จะมุมเห็นแต่มุมได้ไม่เห็นมุมเสีย mm hmm. คิดไม่เป็นเขนะ้าใจไหม คำถามจากคุณโบค่ะนั่งสมาธิแล้วตัวสายแรงขึ้นเรื่อยๆจนต้องหยุดเพราะกลัวล้มลงบริกรรมหนอมีวิธีการแก้เพื่อให้นั่งต่อไปได้อย่างไรคะก็นั่งแบบไม่มีสติมันก็เป็นอย่างนี้ต้องนั่งก็ต้องบริกรรมไปตั้งแต่เนั่งต้นเลยแล้วอย่าไปหยุดเนียถ้าหยุดเมื่อไหร่มันก็สั่นได้ทันทีถ้ามีสติแล้วมันไม่สั่นคำถามจากคุณเอกกี้ค่ะพ้ะอาจารย์สอนเรื่องความอยากเป็นทุกข์ ทำอย่างไรจึงจะดังับหรือบรรเทาความอยากให้ลดลงได้ครับก็คิดถึงความตายอยู่บ่อยๆหมอไปหาหมอวันนี้หมอบอกว่าอยู่ได้สามเดือนนี่ยังอยากอยากอีกเปล่าฮะคงไม่อยากแล้วมั้งก็ไม่อยากรวยแล้วนะใช่มวันนี้จะถูกหวยอยากจะถูกหวยหมเดี๋ยไปหาหมอหมอบอกว่าคุณเป็นโรคประเลงแล้วเนี่ยอถูกไปก็รู้ยามกันไม่ทาอะไรแล้วนะอ งั้ให้มันคิดถึงความตายบ่อยๆก่อนเราจะตายได้ทุกเวลาไม่ใช่ตายตอนอายุแปดสิบเก้าสิบเสมอไปวันดีคืินดีจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้อาจจะตายวันนี้ก็ได้ขอให้เราคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่โลภไม่อยากแล้วมันก็จะขออยู่แค่ไปวันหน่ขออยู่ไปแต่ละวันเพราะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ขอให้วันนี้อยู่ อยู่รอดก็พอและวขอให้มีข้าวกินมีอะไรอยู่ได้ก็พอล้วจะไม่คิดอยากจะมีนูน่นมีนี่เพราะตายไปก็เอาไปไม่ได้คําถามจากคุณกิตพจนค่ะความอยากรวยนี่คืออยากไหมครับความอยากไหมครับใช่ภาวะตันหายอยากรวยความรวยก็เป็นภาวะอย่างหนึ่งคําถามจากคุณหนุ่มค่ะ คำว่ารู้อยู่ที่รู้คืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามคนที่พูด <laughs> ามาถามเราเลยพ่ <laughs> ปะปารวสั์แต่ว่ารู้ไให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่ของผู้รู้ให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดกับสิ่งที่เรารู้เช่นเห็นคนก็อย่าไปคิดว่าเขาสวยหรือเขาไม่สวยเขารวยหรือไม่รวยถ้าไปคิดแล้วมันก็จะเกิดกิเลสขึ้นมา <laughs> ถ้าไม่คิดก็มันก็จะเฉยๆไปเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินเสียงทุกแกนได้ยินเสียงทุกแกแล้วเราก็แปลความหมายไม่แปลความหมายว่ามันแปลว่าอะไรมันดา่าเราหรือเชมเราเราก็ไม่รู้เห็น <c oughs> ให้รู้อย่างนั้นให้รู้ให้รู้เฉยๆแนละ้วมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปรู้ว่ามันดีก็จะเกิดกิเลส ข, ขึ้นมารู้ว่ามันไม่ดีก็เกิดกิเลส ข, ขึ้นมางั้น <c oughs> อย่าไปรู้ว่ามันดีแล้วไม่ดีเลยรู้เฉยๆ สักแต่ว่ารู้ไปเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินแล้วใจจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายคำถามจากคุณเมตาค่ะผมนั่งสมาธิผมรู้ว่าจิตสงบแต่ไม่เคยตกหลุมตกบ่ออาการที่จะเข้าสมาธิต้องตกหลุมตกบ่อทุกครั้งหรือครับนีอาการอื่นอีกไหมครับก็อาจจะ อาจจะค่อยๆสงบไปเป็นขั้นๆบันไดก็ได้ไม่แบบตกลุ่มตกบ่อสงบกึกลงไปหน่อยแล้วก็กัน๋ยอีกหน่อยก็กึกอีกลงไปอีกกึ ก, กเป็นขั้นๆก็ได้เดินลงแบบตกหุมตกบ่อก็ได้แต่จุ ด, จดมา้ปลายทางมันต้องมีความสุขและมีอุเบกขาเดีย๋ยเรียกว่าถึงสมาธิเป็นสมาธิหยุดคิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้ จะตกแบบไหนก็ได้ตกแบบเป็นขั้นขั้ น, นลงไปก็ได้ขั้นบันไดก็ได้หรือจะตกแบบตกลุมตกบ่อลงไปก็ได้มันจิตจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็เรียบหนอยเรียบร้อยหน่อยก็ลงเป็นขั้นขั้นบางคนผ่ า, ผาโผล่ก็ลงเป็นแบบตกหลุมตกบ่อลงไปอ<ม>ต่เป้าหมายต้องอันเดียวกันคือถึงจุดแล้วมันจะเน่งจะสงบจะมีความสุขามากเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจ ไม่คิดปรุงแต่งไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคําถามจากคุณกลางวานค่ะผมต้องทําสมากรรมฐานไปนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนไปทําวิปัสสนากรรมฐานครับก็เหมือนกับคนก่อนที่คนจะเดินได้คนต้องยืนได้ก่อนไม่ใช่เลยถ้าคนยังยืนไม่ได้คนจะเดินได้ปะอก็เหมือนกัน ถ้าคุณยังไม่มีสมาธิคุณไปวิปัสสนาคุณก็มันมันก็ไม่เป็นวิปัสสนามันเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งคิดไปแล้วก็ฆ่ากิเลสไม่ได้คิดไปแล้วก็ไม่มีกําลังหยุดกิเลสตัณหาได้ยั้นถ้าคุณยังไม่มีสมาธิคุณยิ่อยาไปทางปัญญาให้เสียเวลาเลยเหมือนกับคุณยังเดินไม่ได้ยืนไม่ได้คุณจะไปเดินได้อย่างไรคุณก็ขานไปแล้วนมวกคุกขานไปนั่นขยืนให้ได้ก่อน พอยืนได้แล้วค่อยเดินเดินได้แล้วค่อยวิ่งมันเป็นขั้นตอนมันต้องถามว่าเมื่อไหร่แล้วมันเป็นของที่รู้กันอยู่ถ้ายังไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีทางที่จะใช้ปัญญาไปไปไปไปหยุดกิเลสได้หยุดตัณหาได้หยุดความอยากได้เพราะยังไม่เห็นทุกข์จริงๆแต่ถ้ามีสมาธิแล้วเวลาเกิดความอยากมันจะเห็นทุกข์ขึ้นมาในใจใจจะกระเพื่อมใจจะสัน่น เวลาเกิมีความอยากนี่จะทําให้ใจสั่นแต่ถ้าใจไม่เคยนิ่งเลยมันสั่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่รู้มันสั่นเวลาอยากขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ามันสั่นเพราะมันสั่นอยู่ตลอดเวลามันอยากอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมแต่เวลานั่งสมาธิจิตสงบแล้วมันหยุดมันหยุดสั่นมันหยุดอยากมันจะรู้เลยอ๋อตอนนี้ไม่มีความอยากเลยอยู่ในใจเลยใจนิ่งสงบเหมือนน้ําเนี่น้ํานิ่งแต่พออโยนอะไรลงไปในน้ำมันก็จะกลับเพิ่มขึ้นมา ความอยากก็เหมือนกับโยนน้าโยนก้อนหินลงไปในน้ำที่นิ่งพอโยนลงไปแล้วต้องมีคลื่นก็เพื่มขึ้นมาเลยจะเห็นชัดเลยว่าอ๋อความอยากนี่เป็นตัวที่ทำให้ใจสัน่นเราจะรู้ว่าเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์อยากให้ใจสงบอยากให้ใจเป็นอุเบกขาก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดได้ก็ต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นตาไหลมันเป็นงูเหา่า อย่าไปเล่นกับมันของมันไม่เทียม่ยงเห็นว่าไม่เทียมได้มาแล้วเดี๋ยวเสียไปเวลาเสียมันจะทุกเวลาได้มันสุขแต่เวลามันเสียมันจะทุกข์ส่วนใหญ่เรามักจะไม่เห็นตอนเสียกันจะเห็นแต่ตอนได้กันเวลาอยากได้เลยโอ้ได้มาดีใจกันโอ้เดี๋ยวเยวน็นนี้ใครถูกออตเตอรี่โอ้ดีออกดีใจกัน <c oughs> เดี๋ยวเกิดโดนขโมยไปนเสียออกเสียใจ ไม่เห็นตอนที่มันหมดเรื่อเงินมันหมดเห็นแต่ตอนที่ได้เราต้องมองมุมกลับมองมุมที่เราเสียมองตอนที่เราเสียเพราะไม่ว่าเราจะได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเสียมันคำ ถ, ถามจากคุณกิตตะพลค่ะโฆษณาเกินความจริงแบบไหมครับอาก็หลอกลวงมันถ้าไม่พูดต่างความจริงก็โกหกไงใช่ไหมคามถามจากคุณพิทักษ์ค่ะ การถือเนสัตชิก ค, คืออะไรครับเนสัตชิกเป็นข้อธุดง ข, ขวัตข้อหนึ่งในสัตยสิบสามข้อที่ให้ที่จะช่วยเสริมความเพียรความปฏิบัติคือจะไม่นอนจะไม่จะจ ะ, จะถือสามอิริยบทเดินยืนกับนั่งอย่างเดียวถ้าจะหลับก็ให้มันหลับในสามท่านี้ท่าใดท่าหนึ่ ง, งแต่จะไม่ยอมนอนไม่ไม่ยอมใช้เลยอิริยบทนอนนั่งเพียร แล้วแต่แต่ไม่ให้นอนเพื่อที่จะได้ให้ทำความเพียรมากๆถ้านอนแล้วมันจะนอนยาวจะเสียเวลามากพระบางองค์ท่านรีบร้อนไงเห mm hmm. มือนคนขับรถรีบร้อนนี่ไม่ยอมจอดไม่ยอมแวะไ ฟ, ไฟแดงก็ก็วิ่งตัดมันไปเลย mm hmm. เพราะต้องการให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆพระที่อยากจะบรรลุทําเร็วๆทา่านก็จะถือสามวิทยาบทไม่นอน ถ้านอนในท่านั่งเดี๋ยวมันนั่งเดี๋ยวเดียวมันก็มัน ก, มนก็มันไม่สบายพอได้พักห่อยมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วอาจจะน อ, นอาจจะนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงนี้มันก็ตื่นแล้วก็จะได้ทําต่อถ้านอนก็อาจจะสี่ห้าชั่วโมงเสียเวลามากท่านก็ลยให้ถือสามวิริยาบทแต่ไม่ได้ถือตลอดชีวิตหรอกนะถือเป็นแล้วแต่จะจ ะ, จะสามารถถือได้บางทีก็ อาทิตย์หนึ่งบางทีคืนหนึ่งอย่างวัดวดยานี่ยเขาจะถือเนสัตชิกในวันวิสาวิสาขะวันวันมาคะหลังจากเวนทีแล้วก็จะไปนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมสลับกันไปในโบสถ์ในศาลาจนถึงสว่างไม่นอนกันนี่แรียว่าเนสัตชิกคำถามจะคุณสุชาติค่ะการรักษาศีลแต่ไม่ได้ทำทานจะได้บุญไหมครับมันได้บุญคนละอย่างเนย รักษาศีลก็จะทำให้เราไม่ไปสร้างความทุกข์ยากลำบากให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ป้องกันให้เราไม่ต้องไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่จะไม่ได้ไปสวรรค์ถ้ารักษาศีลอย่างเดียวนี้ตายไปกลก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราทำบุญเราก็จะเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมีเงินรอเราอยู่กลับมาเกิดเป็น เป็นลูกของคนรวยถ้าเราทําบุญด้วยแล้วรักษาสินด้วยเวลาเราตายไปเราจะได้ไปเที่ยวสวรรค์ก่อนไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนแล้วพอเรากลับมาจากสวรรค์เราก็จะมาเกิดเป็นลูกของคนรวยมีเงินทองที่เราฝากไว้จากการทําบุญนี่คําถามจากคุณพงพันธ์ค่ะถือสินแตดอยู่บ้านคือต้องทํางานด้วยสวมใส่นาฬิกาได้ไหมครับได้ถ้าใช้ ใส่ตามเพื่อประโยชน์ด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ใส่เพื่อความสวยงามเพื่อความสุขทางใจคำถามจากคุณวีระวันค่ะการที่เราชอบไปปฏิบัติธรรมและไปทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ช่วงหลังไม่ได้ไปเลยเพราะต้องเลี้ยงลูกแต่ก็ยังอยากไปอยู่แต่ช่วงที่ไม่ได้ไปรู้สึกมันไม่ได้คิดอะไรเลยดูมันเงียบมันว่างเปล่าไปเลย อย่างนี้เขาเรียกอะไรคะแล้วจะทำอย่างไรต่อไปดีคะถ้ามันว่างเปล่าแล้วไม่ทุกข์ก็ดีก็พยายามรักษาให้มันว่างเปล่าไปเรื่อยๆอย่าไปสร้างเหตุสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจใจว่างเปล่านี้ก็ใจไม่ทุกข์กับอะไรก็ถือว่าดีคาถามจากคุณขีดปกรณ์ค่ะพ่อแม่เล่นหวยเป็นนิตเราจะมีวิธีการไม่ให้ท่านเล่นจะมีวิธีทําได้ไหมครับ ก็ไปสั่งเจ้ามือหวยไม่ให้ขายหวยให้รัฐบาลเ อ, อตั้งกฎหมายขึ้นมาว่าต่อไปนี้ห้ามเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่ก็จะไม่มีใครเล่นมันก็จะหนีไปเล่นที่แคนเบอแ์ร่ย่งเงถ้าเล่นที่นี้ไม่ได้ก็เล่นที่แคนเบอร์รที่อเมริกาบางรัฐเขาไม่ให้ซื้อลอตเตอรี่มันก็ไปข้ามแดนไปซื้ออีกอีกแดนหนึ่งรู้สึกในรัฐแคลิฟอร์เนียเลือกที่ไหนเขาไม่ให้ ซื้อลอตเตอรี่มันก็เลยไปขับรถข้ามแดนไปซื้ออีกเขตหนึ่งดงั้นของนี้มันห้ามไม่ได้หรอกมันอนัตตาให้ดูให้ว่าเป็นอนัตตาดีกว่าแล้วเราจะสบายใจท่านอย่าเล่นกับเรื่องของท่านมันไม่ใช่เรื่องของเราแลหน่อยใช่ไหมงานหมดก็หมดโน้ตเรากลัจะไม่มีวลาด็อกนี่เราก็เป็นความโน้ของเราอยู่การเล่ของเราอยู่ ใช่ไหมกลัวเดี๋ยวแม่พ่อแม่เล่นเงินหมดแล้วไม่มีมรดกตกทอดหรือจะต้องเป็นภาระเราต้องคอยเลี้ยงดูท่านต่อไปัก็เลยไม่อยากให้ท่านเล่นใช่ไหม <c oughs> คำถามจากคุณเดียค่ะผมนั่งสมาธิแล้วภาวนาพุโทโธแต่ไม่ค่อยสงบเลยนึกขึ้นได้ว่าตัวเองเป็นพวกราคะจริตเลยนึกอสุภะแบบอนุโลมปาิโลมปรากฏว่าจิตกลับมาอยู่ในกายอย่างแปลกและสงบ แต่ให้พอรู้ว่าสงบผมอยากถามว่าใช้อสุภะดำเนินสติและสมาธิได้หรือไม่ครับอ่ะก็ทาํามาแล้วเนี่ก็ถามทำไมก็จิตกลับมาสงบใช่ไหมใช่ไหมก็ใช้ไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นจริตของเราแล้วก็ใช้อสุภะไปอะไรที่ทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเราไม่วุ่นวายก็อันนั้นแหละก็เป็นเป็นอารมณ์สําหรับเราคํถาถามจากคุณพิมพ์ค่ะ การนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งสงบเป็นสุขทำอย่างไรถึงจะทำให้เกิดปัญญาต่อไปคะก็หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องหมั่นพิจารณาอนิจจังทุกขงังอนัตตาเห็นอะไรก็ว่าไม่เที่ยงเงินทองก็ไม่เที่ยงตำแหน่งก็ไม่เที่ยงสรรเสริญก็ไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพอยู่นี้ก็ไม่เที่ยงวันดีคืนดีจะดูจะดูหนังไฟมันอาจจะดับขึ้นมาก็ได้ จนอนกับแฟนแฟนไม่สบายแฟนไม่มีอารมณ์จะนอนด้วยก็ได้อก็จะไม่ได้นอนไอ้คิดอย่างนี้คิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างมีเปลี่ยนไป ม, น ม, น ม, มีเกิดมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีมามีไปใคิดอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่ไปอยากได้อะไรไม่ยไปอยากมีอะไรก็สู้นั่งสมาธิดีกว่าแน่ น, นอนกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปหวังพึ่งใคร นั่งสมาธิแล้วมีความสุขก็กลับมานั่งสมาธิต่อคำถามจากคุณชดาพรค่ะเคยเข้ากรรมฐ า, านพอออกมาไปเห็นปลาที่กำลังจะโดนฆ่ามาเรียกให้ช่วยชีวิตจริงไหมเจ้าคะหรือเราอุปทานไปเองเจ้าคะอ่ามันเกิดขึ้นกับเราเรามาถามเราทำไมล่ะคุณก็พิสูจน์ดูสิมันมาถามทำไมจริงหรือไม่จริง <c oughs> คาถามจากคุณหนุ่มค่ะ เราจะมีวิธีอยู่ร่วมกับคนทานไม่ให้มีปัญหาอย่างไรครับถ้าเราเป็นคนมีโทสะจริตค่ะเราก็ต้องแผ่เมตตามากๆสเปสัตตาเวลาโหนตุแปลว่าให้อภัยไม่จองเวรเขาจะทำอะไรเสียหายเราก็เฉยๆไปให้อภัยไปคี่ว่าใช้นี่เก่าไปก็แล้วกันชาติก่อนอาจจะไป่านกับคนอื่นมาชาตินี้ก็เลยโดยเคยก็มา่านบ้าง คิดอย่างนี้คืออย่าไปตอบโต้เขาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเปีดเขาคำถามหมดค่ะหรือจะมองว่าเขาเป็นเหมือนเด็กก็ได้แต่มันก็พูดยากเพราะเราก็ยังเป็นเด็กอยู่เราก็ยังมีความโกรธอยู่มันก็ลำบากถ้าเป็นคนผู้ใหญ่จะจะไม่โกรธจะไม่อะไร รู้ว่าคนที่ทำความไม่ดีนี่แสดงว่ายังไม่บรุษุนิติภาวะทางจิตใจยั ง, งโง่เขาเบาปัญญาอยู่ยังไม่รู้ว่าการกระทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนี่มันไม่เป็นประโยชน์เลยเป็นแต่โทษทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นถ้าเราเป็นคนที่โตแล้วมีบรรลุนิติภาวะแล้วเราก็จะไม่โกรธเด็กเด็กจะทำอะไรเสียหายแล้วก็เฉยๆรุ่นเป็นเด็กใช่ไหม เด็กมันจะงอแงมันจะทำร้ายข่าวของยังไงก็รู้มันเป็นเด็กไปโกรธมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็มีแต่เขาคอยห้ามมันคอยสอนมันไปถ้าห้ามได้ก็ห้ามสอนได้ก็สอนแต่ถ้าห้ามไม่ได้สอนไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยมันไปถ้าต้องอยู่กันด้วยกันก็เราก็พยายามจะไปตอบโต้หลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีก เราไม่ได้เลยไม่ได้ก็ต้องรับเคาะไปถือว่าเป็นกรรมเก่ า, มากหมายว่าคำถามจากคุณวินค่ะผมพิจารณากายพิจารณาแต่ละส่วนของร่างกายแล้วส่วนนั้นนั้นมันว่างๆใสๆอย่างนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกรละมันจะไปว่างๆใสๆได้ไง มันเป็นตับมันก็ต้องเป็นตับเนี่นั่นแหะมันเป็นตายมันก็ต้องเป็นตายต้องให้เห็นตามความเป็นจริงถึงเรียกว่าถูกต้องให้เห็นอวัยวะต่างๆที่อยู่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเราให้เห็นกระโหลกศีรษะให้เห็นโครงกระดูกให้เห็นปอดให้เห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เยอันนี้ให้เห็นจริงๆเห็นเหมือนกับตอนที่เขาผ่าโสมปอกไม้ให้เห็นแบบนั้น ใจมันจะได้ไม่หลงรักร่างกายว่าสวยว่างามเรามักจะเห็นส่วนที่สวยงามเราก็เลยไปคิดว่ามันสวยงามเห็นสวยงามตรงผิวหนังใช่ไหมพอเราถลกหนังออกมาดูว่ามันสวยไหมหน้าตานี้สวยพอถลกผิวหน้าออกมานี่เหลือแต่อะไรเหมือแต่กะโหลกสีษสใช่ไห เห็นกระโหลกศีรษะมันก็ไม่เอาแล้วะต่อให้เป็นกระโหลกศีรษะของดาราภาพยนตร์หรือนายแบบนางแบบก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมนี่ไม่เห็นเลยเห็นต้องมันพยายามพิจารณากะโหลกศีรษะอยู่เรื่อยๆนึกถึงกระโหลกศีรษะอยู่เรื่อยๆเวลาเห็นหน้าตาใครที่ว่าสวยว่างามว่า น, นึกถึงกระโหลกศีรษะที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเขาเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะไม่หลงไหลข้างใครเหมือนพวกที่บ้าเห็นไหมดารามากระโอนกี๊ดกันวักกัน กี่กับกระโหลกศีรษะมองไม่เห็นเห็นแต่หนังที่หุ้มกระโหลกศีรษะเท่านั้นเองทำท<า>ันไม่ใช่ครับถ้ากรณีที่ว่าเรานอนบักผ่อ น, นครับถ้าเกิดว่าเราฝันขึ้นมาอย่างนี้มีความฝันทำให้แสดงว่าจิตเราไม่นิ่งใช่ไหมแต่บางคืนเราก็นอนแบบไม่มีความฝันเลยอย่างี้จิตบางทีนอนหลับมันยังคิดอยู่ ม, มันปรุงแต่งอยู่มันก็เป็นฝันไป ถ้าฝันดีฝันล้ายมันก็ไม่ได้สื่ออะไรเลยมันหยุดถ้าฝั<ห>นดีก็มาเพราะเราทําบุญมันก็ฝันดีถ้าทําบาปมันก็จะฝันร้ายแล้วมีแบบถ้ามาเหมือนจะขอสืบบุญไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมหรืจะปงแต่งขึ้นมาเอก็ไม่น่าก็ลองถามมันดูเลย ม, มาจริงก็ไม่จรงิง <laughs> ไม่ถามมันจะไปรู้เหรอเ <laughs> พราะผมรุ่งเกิดตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ก็ช่างมันไป ถ้าถ้าเป็นของจีงก็คุยกันได้คุยกันได้แล้วก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงก็ไม่จริงถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็ยังอาจจะไม่จริงก็ได้ะต่อไปคาถามจากคุณจันทิราค่ะการทำกุศลฝ่ายดีทำบุญทำโลงทานบ่อยๆจนรู้สึกเฉยๆแล้วไม่รู้สึกเกิดปิติ แต่เป็นความเฉยต้องทํายังไงต่อคะทําให้มากขึ้นเลยลองทํานักสองเท่าดูสองเท่าจากที่เราเคยทยําำดูมันมันชินแล้วไงนั่นต้องให้มันมากขึ้นมันถึงจะรู้สึกมีความรู้สึกปิติมากขึ้นคำถา ม, ถามจากคุณธอมมี่ค่ะหนูฝึกปฏิบัติเย็นข้างในจิตสบายทั้งวันหนูรักษาความเย็นนี้ไว้เอาความเย็นฆ่ากิเลสแต่สงสัยว่า เมื่อวานพระอาจารย์สอนว่าต้องไปวิเวงในป่าช้าเพื่อให้จิตที่สงบเย็นมีสมาธิถ้าเกิดเหตุการณ์น่ากลัวหนูควรจเจริญสติหรือสอนใจอย่างไรคะคือการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทําให้ใจเย็นได้ในที่ที่มันสบายเนี่ยมันอาจจะไม่เย็นในที่มันไม่สบายก็ได้เราก็ต้องเพิ่มเปลี่ยนสถานที่ดูหรือว่าเราจะ สามารถทำให้มันเย็นสบายเหมือนกับที่เราอยู่สบายได้หรือไม่้องไปอยู่ที่มันยากลำบากดูเราดูซิว่ายัางทำใจให้สบายได้หรือเปล่าเพราะชีวิตเรามันไม่แน่นอนวันนี้อาจจะอยู่กับเหตุการณ์ที่สบายสบายแต่วันข้างหน้าอาจจะไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่สบายขึ้นมาก็ได้ที่ให้ไปนั้นก็มีสองสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็คือคนที่ง่วงนอน นั่งสมาธิเราชอบหลับก็ให้ไปนั่งป่าช้าถ้าอยู่ในป่าช้ามันเกิดความกลัวขึ้นมามันก็จะเตืน่นมันจะไม่หลับะะอันนี้สาเหตุหนึ่งส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็ไปพิสูจน์ดู ว, ว่าเราจะสามารถรักษาใจให้เรานิ่งเหมือนกับขณะที่เราอยู่ที่บ้านได้หรือเปล่าเมื่เราอยู่ที่บ้านเราทําใจให้นิ่งได้แต่เราไปอยู่ในป่าในป่าช้าไปเจอสิงสารสัตร์ขึ้นมาแล้วเรายังจะทําใจเราให้นิ่งได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็น การพัฒนาการปฏิบัติให้ให้สูงขึ้นให้ดูว่าเราทาได้หรือเปล่าข้อสอบยากขึ้นไงก็ทาที่บ้านข้อสอบที่ง่ายกว่าไปทำที่ในป่าในเขาในป่าชา้าข้อสอบมันจะยากขึ้นเราจะได้รู้ว่าเราทาได้ไั้ยทำข้อง่ายได้แล้วทีนี้เราก็องไปหัดทําข้อยากดูถ้าเราทาได้ต่อไปเราก็จะทำข้อสอบได้ทุกข้อข้อไหนที่เรายังทาไม่ได้ก็ต้องไปทำ เวลามันเจ็บร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังเย็นยังสบายได้อีกหรือเปล่าถ้ายังไม่รู้ก็ลองนั่งไปนั่งให้มันเจ็บแล้วอย่าไปขยับแล้วพยายามทําใจให้มันเย็นให้มันสบายไปกับความเจ็บให้ได้ถ้าเย็นแล้วต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะทําใจให้เย็นได้ น, นี่ก็คือการฝึกัดมันมีข้อสอบหลายระดับเ ร, เราเริ่มต้นอยากง่ายก่อนเพราะไปทําข้อยากมันทําไม่ได้หรอกต้องทําข้อง่ายก่อนเอ นั่งสมาธิในห้องแอร์ไปก่อนนี้แล้วต่อไปก็ไปนั่งในป่าชา้าอะไรทำนองนี้นแล้วหนูพุดโทรให้จิตมีสติอยู่ข้างในสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆได้ไหมคะหรือว่าพิจารณาความตายเป็นตายักคะก็ได้ถ้าใช้สติมันก็จะจะทํะะะทำข้อสอบได้ชั่วคราวทุกครั้งที่เจอปัญหาก็ต้องใช้สติถ้าเราใช้ปัญญามันจะแก้ปัญหาได้อย่างถาวรใจเราจะ ไม่มีปัญหากับเรื่องต่างๆถ้าเรามีปัญญาเพราะเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันไม่ได้เราก็เลยทิ้งมันไปปล่อยมันไปไม่ไปยุ่งกับมันมันก็จะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปหมดแล้วนะแค่นี้ก่อนหมดเวลาไม่ย่กเลย<ม>ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจปิจารณาไปปฏิบัติ